เส บ, บาพาปะสะอัการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปรโะยธะปนังเอตังพุทธานาส า, สานันติบัตในอาตมภาพ <c oughs> จะได้กล่าวกระแสพระธรรมมเทสนาปนนาศ า, าสนาธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่สำนักงานทีโอทีของเราได้จัดให้มีการแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากเป็นวันใกล้วันมาคบูชาก็จะได้กล่าวเกี่ยวกกระแสธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในการครั้งนั้นนับได้2 5 0 0ร้อยหกสิบเอ็ดปีมาแล้วห้าร้อยหกสิบปีมาแล้วที่พระองค์ทรงตรัสกระแสธรรมของพระองค์นั้นเป็นสัจธรรมคำสังสอน ที่เป็นอาาธรรมเพราะเป็นสัจจะที่เป็นความจริงในชีวิตแต่ละชีวิตท่านผู้เจริญทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นและทรงตรัสในสิ่งที่เป็นสัจจะเรียกว่าสัจจะ คือความจริงบางครั้งก็สแสดงเยาะว่ามีความเกิดขึ้นปรากฏมีความดับปรากฏสรรพสิ่งทั้งหลายนี่แหละมีความเกิดขึ้นปรากฏและความดับปรากฏถ้ายังตั้งอยู่ก็แปรมีความแปรปรากฏหมายความว่าชีวิตเรานั้น เกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วก็จะดับเหมือนกับไม้ขีดไฟก็ไม่ไฟก็ดับจะเป็นไม้ขีดหรือไฟอะไรก็ดับตอนนั้นแล้วเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมาทางทิศตะวันออกก็จะดับไปทางทิศตะวันตกโดยเร็วแล้วก็เกิดอีก ดับเกิดดับเกิดอยู่อย่างนี้ชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมีความเกิดกับมีความดับเกิดกับดับเท่า น, นั้นเอาถ้าเราอย่างตั้งอยู่พระองค์ก็ตรัสในในคนั้นแหละมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความดับปรากฏถ้ายังตั้งอยู่ มีความแปรปรากฏมันก็มีสามลักษณะเกิดมาแล้วเกิดแล้วยังไม่ดับกว่าจริงแต่มันก็แปรแปรปรวนคือแปรจากเร็วเป็นกลางเป็นช้าไม่ต้องดูอื่นไกลดูชีวิตของเราท่านทั้งหลาย และชีวิตของสัตว์ทั้งหลายชีวิตของสปปรรพสิ่งทั้งหลายแม้จะยังตั้งอยู่บางอย่างตั้งอยู่นานบางอย่างตั้งอยู่เร็วเช่นฟองน้ำนันตั้งเดียเด่ยวๆก็ดับหรืออะไรอะไรก็แล้วกันจะเป็นไม้ขีดไฟที่เราจุดสว่างแวบเดียวมันก็ดับ แะนีนสังขารของเราเป็นอย่างนั้นแม้ยังไม่ดับก็แปรปรวนมาจากเด็กเป็นคนกลางคนจากกลางคนก็แก่ชราจากแก่ชราก็ดับไม่มีสิ่งใดไม่ดับแม้แต่โลกนี้หรืออะไรอะก็จะดับแตกสลายไปต่างๆนาน า, นา เพียแต่ว่าอะไรเอ่อยที่ดับช้าอดับช้าระวังที่ยังไม่ดับก็จะมีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆเมทุกเมรุทรมตรอ ม, มใจต่างๆนานาพระองค์คิดอย่างนี้ไม่เหมือนเราเมื่อมองเห็นว่าอย่างนี้จึงทรงเบื่อหน่ายในการเกิดการดับ ย้อนดูพระองค์ก็มามาแล้วก็เบื่อหน่ายจึงพยายามปฏิบัติให้เข้าสู่ความไม่เกิดไม่ดับอันนั้นได้แก่สัจธรรมคือพระนิพพานที่พระองค์ส่งเข้าถึงอันนั้นก็จะไม่มีเกิดดับมีว่าแต่ก็มีสิ่งนั้นก็ยังไม่อยู่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าหรือไม่ใช่อะไรแต่สิ่งนั้นไม่อยู่ไม่อยู่อย่างนั้นเองนั่นคือสัจจะอันได้แก่พระนิพพานที่ท่านผู้เข้าถึงแล้วก็วอยู่อย่างนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดการดับ แต่ก็มีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่ท่านตรัสไว้อย่างนี้ข้อสุดท้ายต่นหี้มองดูชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะพยายามพวกเราก็พยายามเดินตามท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าทุกศาสนาหรือทุกอย่างมันจะมาในแนวเดียวกัน เหมือนหนึ่งก็ว่าคนในโลกหรือศาสดาผูา้เป็นศาสดาใหญ่ต่างๆที่มีอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกันเดินทางแบบเดียวกันเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ประวับปรากฏเมื่ อ, อยังตั้งอยู่ก็แปลปรากฏ ตัอย่างที่พระองค์ทรงตรัสในปัญญาปัจจเวกนะถึงเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความาเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดาท่นลองพิจารณาข้อนี้ ต่างคนต่างปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามแม้ศาสนาเอกของศาสนาอื่นๆเยอะใครๆก็ตามจะต้องไปตามลักษณะอย่างนี้แบบนี้ที่พระองค์ตรัสไว้เพื่อให้เห็นความชัดเจนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือค่อยๆดับ อย่างที่ท่านว่ า, าเราจะต้องปลัดพ ร, พรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปโ้สุดท้ายนี้สำคัญเรามีอะไรไม่ได้เมื่อมีใดสิ่งใดก็จะต้องจากสิ่งนั้นไม่สิ่งใดก็ต้องจากสิ่งนั้นท่านพวกเรา ในฐานะที่เป็นข้าราชการก็ตามหรือราชการของรัฐวิสาหกิจต่างๆก็ตามเรามีนาทีรับการงานการงานของเราก็เจริญงอกงามมาแต่ในที่สุดเราก็จะต้องจากคำว่าจากนี้สำคัญมากมีอะไรไม่ได้ มีสิ่งใดจะต้องจากสิ่งนั้น <c oughs> เว้นไว้แต่ไม่มีหรือเว้นไว้แต่มาได้เกิดถ้ามีถ้าเกิดมีอะไรก็จะต้องจากแม่สิ่งเหล่านั้นะจะดีหรือจะลำบากเราก็ต้องจากสม่ำเสมอกันทีละอย่างทีละอย่างท่านหลายพิจารณาในตัวเราเราจาก มาเท่าไหร่แล้วจากาเด็กน้อยภาษาพังคำพังเพยออของโบราณสมาคำพังเพยนี้เป็นของโบราณในกรุงเทพแล้วก็พูดมีตัวต่อเต่าสองสามคู่หรือห้าคู่โอแต่โตแต่ เต่งตึงตงเตงตัวมเตี่ยมต้องตายไม่อยู่แค่นี้เตะเตะเต่งตึงตงเตงตัวมเตี่ยมต้องตายตะแตะก็เหมือนสมัยเราเป็นเด็กเราก็ต้องเดินเตะเตะแตะอยู่สต่จากเตะแตะก็เต่งตึงคือเป็นหนุ่มเป็นสาวเต่งตึง ยากเต็งตงก็ตรงเตงตรงเตงก็คือประกอบอาชีพการงานหรือมีครอบมีครัวก็ลาบากขึ้นตรงเตงไปตรงเตงมาเมื่อตรงเตงถ้ายังไม่แตกดับ อ, อยังไม่ต้องตายก็กลายมาเป็นตัวมตรียมคือตอนแก่ชราลุกขึ้น นั่งลงหรือจะเดินหรือจะจับอะไรก็ตุ่มเตียมตุ่มเตียมอย่างที่เอเห็นอยู่อาตมาก็กําลังอยู่ในตุ่มเตียมอย่างเต็มอาเต็มเต็มตัวแล้วเดินทางไปไหนก็พหลังจากตุ่มเตี้ยมแล้วต้องตายเี่ก็เราก็พูดถูกคําพังเผยของเขาก็มันก็ไม่ขัดกับที่พระองค์ตรัสว่า เตือตั้งอยู่แล้วก็ต้องตายไปตามลำดับไม่มีสิ่งใดคงที่เลยเมื่อเราเข้าใจได้ดังนี้กระแสธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏแก่เราก็จะต้องจากไปอาตอมาเคยเปรียบเทียบว่าการาัการนี้แหละเป็นข้อคิด เดเราต า, รตายสองครั้งตายสองครั้งตายแบบแบบอุ่นเครื่องหรือตายแบบตักเตือนซะก่อนตอนเมื่อเราอยู่ไปจากเต่งตึงตรงเตงมาก็เราก็อายุหกสบปีหกสิปีเราก็จะต้องจาก จากไปจากราชการจากการงานทุกคนก็รู้ตัวไม่ทุกเท่าไหร่บางท่านก็อยากจะออกอาตอมาเคยนึกในใจว่าจะผิดจะถูกก็แล้วแต่นึกในใจว่าข้าราชการบางท่าน ก็เรียกใช้คำว e ่าเอ r l ีจะเป็นคำไรเอ r l ี e ่คือออกก่อนที่จะปลดเกษียณสองปีบ้างห้าปีบ้างอาตมาว่าท่านเหล่านี้มีความสุขมีความสบายใจหน่อยหนึ่งส่วนท่านที่ยึดถือในตำแหน่งหน้าที่อย่างแรงก็ไม่ค่อยสบายใจนะับ พอใกล้จ ะ, กะเกษียณ น, นึกเสียดายเพราะมีอํานาจวาสนาในตําแหน่งให้คุณให้โทษใครก็ได้ตามใจชอบในตาแหน่งของตัวเองแต่ก็มีอันจะต้องจากไปคือกเกษียณเมื่อถึงวันกเกษียณก็เสียดายเสียดายอย่างยิ่งเสียดายอย่างยิ่งก็ทุกข์อย่างยิ่ง เสียดายอนิดหน่อยก็ทุกเด็ดหน่อยไม่เสียดายเลยก็ไม่ทุกเลยอาตมาว่าถ้าพิจารณาเป็นก็จะได้รู้ตัวว่าอ๋ออันนี้แหละเป็นการตายสงครั้งตายจากตําแหน่งหน้าที่ยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะตายจริงจังอย่างแท้จริงเหล่านั้นแม้เพียงแค่นี้ ถ้าเราคิดให้เห็นเป็นกระแสรธรรมหรือเป็นแนวทางของการประพฤติธรรมก็จะเห็นอาตมาเคยพูดสบายๆว่าตายสองครั้งตายแบบอุ่นเครื่อง ก็คือตายตอนเกษียณจากตำแหน่งหน้าที่การงานก็เราก็มีผลกุศลพ้นบุญหมายความว่าบุญกุศลนั้นยังหนุนเนื่องเราแม้เกษียณไปแล้วก็ยังได้ผลจากการเกษียณเงินเดือนเงินดาวความสงบสบายพอสมควรจนกว่าจะถึงสุดท้าย เธอตายแล้วก็ไม่ฟืน้นนั่นเธอตายจริงๆแล้วเอา น, นอกจากจา ก, กำเนิดใหม่นี่คือกระแสชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ทุกข์ไม่ลำบากเกินไปอาตมาว่าถ้าท่านครองชีวิต ให้พอดีพอเหมาะให้พอควรแล้วท่านก็ประสบความสุขสบายในโลกด้วยการภูมิใจพอใจในงานของตนในหน้าที่ของตนและในบุญวาสนาของตนท่านผู้เจริญทั้งหลายคนในประเทศไทยมีประมาณค่าว่า เอาเถะแค่เจ็ดสิบล้านเจ็สิบล้านคนก็มากแต่นี้ฐานะของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้แถวนี้มีฐานะดีกว่าคนไทยไม่ต่ํากว่าหกสิบล้านคนฐานะความเป็นอยู่นะหน้าที่การงานการเป็นอยู่ในทางโลกอย่างแท้จริงฐานะของท่าน ดีกว่าคนไทยไม่ต่ำกว่าหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านเสีอีกแเอ่์ห้าสิบล้านหกสิบล้านซสีอีอกดูเขาเหล่านั้นมี่ความทุกข์ยากลำบากเข็นยากเข็นเพียงไรในที่ต่างๆแล้วก็ในสถานที่ต่างๆเมื่อมองไปทั่วโลกด้วย ไม่น่าจะได้เห็นความทุกข์ยากของคนด้วยกันอย่างที่เราเห็นว่าพวกโรอินจาเห็นเขาอยู่ในเรืออบพยพแล้วจะขึ้นบกเขาไม่ให้ขึ้นแล้วก็ลำบากอยู่ในเรือ อาโคลงเคลงอยู่ในเรือไหนจะลำบากตัวเองไหนจะส่งสารลูกน้อยไหนจะส่งสารผู้ชราแล้วเรามองเห็นบางครั้งเอนเข้าหามคนแก่อาจจะเป็นพ่อแม่หรืออะอะไรของเขาหามบ้างแบกบ้างในบางจังหวะมีความทุกข์ยากลำบากอะไรถึงขนาดนั้น แล้วมองดูที่เราเราทั้งหลายในประเทศชาติของเราจึงถือว่าเป็นประเทศชาติที่มีความสงบสุขในภูมิโลกของเราโลกหนึ่งด้วยยากลำบากเท่าไรไม่ระเหเร่ร่อนหาที่อยู่ที่อาศัยถึงเพียงนั้น บ้านนั้นก็ยังประกาศว่าตัวเองยากลําบากอย่างนั้นยากลําบากพอทนคนโบราณในกรุงเทพเขาก็เขียนคําพังเพยว่าประเทศชาติเรานั้นมีความพอสมควรหนาวร้อนท่านว่าหนาวพอฟอนร้อนพอรําถ้งหนาวก็หนาวพอฟ้อน ตั้งร้อนก็ร้อนพอรำไม่ใช่หนาวจนทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ร้อนจนทำอะไรไม่ได้คือพอฟอนพอรำได้จึงแสดงถึงความเป็นกลางกลางสม่ําเสมอเมื่อเราคิดรวมอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์มาได้สอนเฉพาะคนไทยพระองค์สอนโลกสอนชาวโลก แต่ชาวโลกไม่มีรัวาสนาที่จะรับกระแสธรรมของพระองค์ไว้แม้เกิดในประเทศอินเดียเองอินเดียก็น่าจะได้รับกระแสธรรมของพระองค์กลับพระาศาสนาหมดเกลี้ยงจากอินเดียแล้วมาเจริญในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะมาเจริญในประเทศไทยเราจึงถือว่ามีความ โชคดีมีวาสนาสูงแล้วเรายัางได้มาเกิดกับบิดามดาผู้เป็นสมาทิฐิมีการทำบุญทำกุศลเห็นชอบให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วยังมาทันพระพุทธศาสนาแล้วยังมาเจอเจอครูบาอาจารย์ที่นำแนวทางปฏิบัติในทางที่ดีงามให้มีการรู้สึกอย่างนี้บ้าง พอใจอย่างนี้บ้างสิอย่านึกน้อยใจว่าเราอย่างนั้นเออเราอย่างนี้เขามันอย่างนั้นเขามันอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องอื่นส่วนเรานั้นเราต้องยอมรับสภาพตัวเราฐานะของเราการงานของเราเมื่อเรารับฐานะอย่างนี้ความสงบสุขธรรมดาธรรมดาก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์สอนโลกให้เกิดสันติภาพถ้าองค์ตรัสในวันมาคบูชาเมีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปในเวลานั้นในวัดเวลุวนารามในขณะนั้น พระองค์จึงทรงตือโอกาสสอนให้เป็นวันสําคัญไม่ใช่เป็นวันสําคัญเรอสอนตามปกตินั่นแหละแต่เรามายึดมาแยกให้เป็นวันสําคัญวันนั้นวันนี้ในภายหลังตรงนั้นให้เป็นวันมาค้าบูชาถึงวันเกิดแับของพระองค์พระวิสาขบูชาและวันที่พระองคอ์ส่งแสดง ทำมาจักครั้งแรกก็เป็นวันอาสาฬห์บูชาเท่ากับปีหนึ่งปีหนึ่งเรามีวันสําคัญยิ่งในศาสน า, าสองสามครั้งวันมาฆบูชาแผ่นเดือนสวันวิสาขาบูชาแผ่นเดือนหกวันอาสาฬหาบูชาแผ่นเดือน8ก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติ ตักเตือนใจพรุ่งนี้เมื่อเร่วนี้ก็จะเรียกว่าวันวัวนมาคบูชาอาตมาภาพจึงเอาพระอาดารัฐที่เป็นความสงบสุขของโลกเรายกเขายกย่องให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันตภาพหรือเป็นศาสนาประจำอาชาติที่ประจำโลกนี่แหละว่างันเติม พระองค์ทรงจับใจความย่อย่อกระแสธรรมว่าสปปาปัสะอะกาันนังเว้นจากการทำชั่วทำบาปทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาให้ทำคุณงามความดีทุกอย่างส จ, จิตตประโยชน์ปะนังให้ชำระใจให้สะอาดจากเครื่องเศร้ามองทั้งหลายอันเป็นข้อสูงสุด เพียงแค่นี้และอธิบายอย่างอื่นมากมายท่านทั้งหลายเว้นชั่วประพฤติ ด, ดชาระใจให้สะอาดเว้นชั่วแล้วยังไม่พอท่านว่าพอนะไม่ทำชั่วไม่ลักไม่ขโมยไม่ผิดศีลข้ อ, อห้าข้อนั้นเว้นจากความชั่วทุกอย่างได้แล้วก็พอใจ แต่พระองค์ว่ายังไม่พอเว้นจากชั่วแล้วมันก็เพียงแต่เป็นคนไม่ชั่วยังไม่เป็นคนดีต้องทําดีด้วยเมื่อเว้นชั่วแล้วเว้นจากชั่วแล้วต้องทําความดีทําความดีแล้วเว้นชั่วแล้วทําความดีแล้วยังไม่แน่นอนต้องมีข้อสามมาสำทับเอง สาจิตประโยทะปวังให้ชำระใจให้สะอาดเมื่อชำระใจให้สะอาด การเว้นชั่วการทำดีมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเราก็เห็นบางคนก็เว้นได้แต่เว้นได้ชั่วคราวบางคนก็ทำดีแต่ทำดีชั่วคราวก็กลับไปกลับมาท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามนุษย์เรานั้นมีความผิดตรงนี้แค่สีหน้าตนนั้นแหละขอภัยที่ออกนอกนิดหน่อยท่านจะเห็น ว่าคนที่มีโทษทันแม้คนใหญ่ๆญ่โตโตแม้คนที่รวยแล้วก็มีทรัพส ม, มัติมากอายจนเป็นอะไรมาสถีและก็มีโทษต่างๆนาานั่นมีล้วนแต่อยู่ในสีนห้าทั้งหมดที่เราเห็นต้องโทษล้วนแต่ในสี่ห้า เพราะฉะนั้นอาการเว้นชั่วนั้นก็คือศีลการประพฤติดีก็คือธรรมการํำระใจให้สะอาดก็คืออาการ สุดยอดของกระแสรธรรม <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเว้นชั่วทำดีแล้วต้องทำใจให้สะอาดด้วยสะอาดในความดีความชั่วเหล่านั้นจึงจะเป็นคนปลอดภัยได้ทุกอย่างอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นยอดเยยมก็สนใจ เชื่อหลือเกินเราท่านทั้งหลายเว้นชั่วมาแล้วและได้ทำดีทำบุญตักบาทรักษาศีลให้ทานมาอยู่ในแนวทางที่ดีแต่ก็ยังไม่แน่นอนต้องอําระใจให้สะอาดเราอาจจะมีความทุกข์ระทมตรมตรอมในปัญหาต่างๆ โทกระทมทมตรอมใจกลุ้มใจลำบากใจใจเนี่มันมันมันมีเหตุหลายอย่างโยมไม่ใช่น้อยนะชื่อว่าใจอนะเรียกว่าลำบากใจกลุ้มใจน้อยใจเหนื่อยใจ เ, เข็นใจคลุ้มใจต่างๆนานามีแต่เรื่องใจแต่นั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เน้นหนักในข้อสุดท้าย ส จ, จิตตะประโยชน์พนังให้ชำระใจให้สะอาดและแนวทางปฏิบัติของผู้เราขณะนี้ท่านทั้งหลายก็มักจะสนใจในเรื่องการทำสมาธิภาวนากรรมฐานทุดดงเพื่อชำระใจให้สะอาดและเป็นกิดเจวัดทิละเอียดอ่อนลึกซึ้งในพระพุทธศาสนานะ แม้บางอย่างเราก็ไม่ขาดแคลนอั บ, อบจนต่างๆแต่ความทุกข์ใจนั้นก็ไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความทุกข์ โลกนี้มีความขัดแย้งกันโลกนี้มีความขัดเคืองโลกนี้มีความแก่ชราโลกนี้มีความพลัดพรากจากสิ่งรักสิ่งเจริญใจอันนี้ถ้าใจของเราไม่ฝึกแม้จะอยู่ในฐานะใดมันก็ทุกตามลําดับนั่นเลยโยมพระพุทธองค์ก็อยู่ในฐานะที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรด พระองค์ก็เห็นว่าไม่พ้นจากความทุกข์จึงเสด็จออกบรรพชาเป็นพระอาหารหันต์อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการํำระใจให้สะอาดจึงไม่มีอะไรไม่มีวิธีอื่นวิธีอื่นที่จะแน่นอนไม่มีท่านจึงใช้คำว่าภาวนาบ้างทำสมาธิบ้าง ทมวิปัสนาให้แจ่มแจ้งบ้างแล้วแต่จะเรียกที่แท้มันก็ลักษณะเดียวกันในการทำใจให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองวิธีทำใจพ้นจากความทุกข์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็แนะนำ ตามาตามความถนัดของตนที่แนะนำตามความถนัดของตนเพราะแต่ละท่านนั้นปฏิบัติตนเองแล้วก็ได้พ้นาจากภาวะตกต่ำพ้นจากภาวะอย่างอื่นเข้าสู่กระแสธรรมคือความสงบสุขความ พ้นทุกต่างๆนานาโดยวิตรีคล้ายเคืองกันท่านก็จะแนะนำตามนั้นเพราะฉะนั้นท่านจะได้เห็นพระกรรมฐานฝ่ายกรรมฐานท่านแนะแนวปฏิบัติตามความอาถรัพ์ของท่านไม่ใช่ผิด บางคนก็โจมตีกันว่าอย่างนั้นปิดต้องอย่างนี้อย่างนี้ปิดต้องอย่างนั้นความจริงไม่น่าคิดอย่างนั้นอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อทำจิตใจให้พ้นทุกข์ได้ สมัยก่อนก็เ <c oughs> แบบเดียวกันบรรลุธรรมด้วยเห็นสิ่งนั้นบรรลุธรรมด้วยตั้งใจปฏิบัติอย่างอุกฤษคืออย่างยิ่งกว่าจะได้บรรลุธรรมด้วยการเอาฟังเทศจบก็บรรลุทางง่ายตัางยากพระองค์จึงตรัสปรับบอกสาวกของพระองค์มีสามอย่างการเข้าถึงธรรมนั้นาบางคน ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติลำบากด้วยรู้ได้ช้าด้วยบางคนปฏิบัติสะดวกแต่ก็รู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติสะดวกแต่ก็รู้ได้ช้าเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับการประกอบอาชีพของเราบางคนประกอบอาชีพอหนักแล้วแต่ก็รวยเร็ว บางคนประกอบอาชีพหนักจึงจะรวยบางคนประกอบอาชีพเบาเบาแต่ก็รวยเร็วบางคนประกอบอาชีพเบาแต่ก็รวยช้าบางคนก็มีความหนักอย่างยิ่งจึงจะได้มาซึ่งอะไรอะไรการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่างพระองค์ทรงตรัสว่า มีพระเถระที่ปฏิบัติลำบากอย่างยิ่งแล้วรู้ได้ช้าด้วยอันได้แก่พระจักขุบาลพระจักขุบาล น, นี้ท่านปฏิบัติลำบากด้วยรู้ได้ช้าด้วยจนตลอดชีวิตของท่านถึงวัยชราแล้วเคร่งครัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตดรัสรู้จนกระทั่งท่านเอาชนะได้ถ้าตั้งสัจจะเสอาเจ สัจจะในการตูดงข้อเทว่าจะไม่นอนตลอดพรรษาถ้าไม่ได้บรรลุธรรมแล้วจะไม่นอนตลอดพรรษาตั้งสัจจะอย่างนี้อย่างแรงกล้าจนกระทั่งนั่งภาวนาตลอดคืนตลอดวันไม่นอนในที่สุดเมื่อไม่นอนบ้างก็เป็นการอุกฤติเกินไปเท้า อ, าอาตาของท่านก็บวมเจ็บ และหมอมาใส่ยาหมอมาใส่ยาให้ท่านก็นเงยแค่เงยให้เขาใส่ยามันก็เข้าไม่ดี เขาก็บอกว่าให้ท่านนอนแล้วจะยาก็จะได้รักษาตาแค่นอนใสายานะโยมท่านไม่ยอมนอนเพราะท่านตั้งใจว่าในพรรษานี้ตลอดถ้าไม่ได้บรรลุธรรมแล้วจะไม่นอนตามันก็ไม่หายอ่านี่คือตั้งใจถึงขนาดนี้เฉพาะบางคนนะยากกว่ากันถึงขนาดนั้น แล้วกออ็ไม่นอนไม่หายในที่สุดท่านสัจจะของท่านก็ได้ผลได้บรรลุอรหันต์พร้อมกับตาแตกก็เป็นพระอรหันต์ตาบอดอยู่กับท่านองค์หนึ่งด้วยชื่อว่าพระจักขุบานแปล ว, ว่าผู้รักษาตา เ, ออเป็นผู้ มมความตั้งมั่นนี่แหละปฏิบัติลำบากด้วยรู้ได้ชาด้วย่วนบางโอนแค่ฟังธรรมเทศนาจบก็ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นท่านมุจริญ์ทั้งหลายการที่ท่านปฏิบัติธรรมจะให้พระอธิบายอย่างไรท่านรู้แล้วเข้าใจแล้วพิธีต่างๆรู้หมดแล้วในการปฏิบัติเพราะฟังมามาก อ่านมามากและเคยทํามามากเพียงแต่ความตั้งใจของเรายังไม่มากเท่าไรยังน้อยความรู้ยังน้อ ย, ค ว, อ ย, อยความเพียรยังต่ําความพยายามยังไม่มากแต่ว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจปฏิบัติ สิ่งที่ท่านรู้เข้าใจนั้นเป็นบทบบทฐานของชีวิตของท่านท่านทั้งหลายอันตราอยากจะเปรียบเทียบให้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ว่าท่านไม่ถอยหลังเกิดอีกกี่ชาติก็ตามนะ เกิดเอกในโลกนี้กี่ชาติก็ตามเป็นมนุษย์เอกี่ชาติก็ตามท่านจะได้เป็นมนุษย์ชั้นดีชั้นเลิศชั้นเปรฐต่อไปและมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติขยับขยั บ, ยบต่อไปแม้จะเกิดอีกหลายชาติก็ตามหรือตั้งสัจรูแรงกล้าอะไรแล้วแต่ท่านให้แต่เพียงว่าอย่าถอยกว่านี้เลยลําบาก อย่าถอยจกนกระทั่งเป็นติระชายโยนี้เพราะฉะนั้นบุญที่ท่านทำอยู่ภาวนาที่ท่านเจริญอยู่ทุกวันแม้ทำตามสามความสามารถตามมีตามเกิดก็เป็นบท บรรทัดฐานตั้งมั่นให้ร่างกายชีวิตของเราไม่ถอยหลังถ้าเป็นมนุษย์เอกจะเป็นมนุษย์ชั้นเลิศถ้าปฏิบัติต่อไปก็เป็นมนุษย์ชั้นบุเสถีถ้าต่อไปอีกก็จะพ้นจากมนุษย์เป็นเทพประบุเทพธิดาถ้าได้ฌานสมาบัติด้วยก็จะได้เป็นรูปประภรมารูปพระรมถ้าละกิเลส <c oughs> ถ้าต่าละสั ญ, ญโยชททั้งสิบได้ตั้งแต่สัง กายทิฏฐิวิจิกิชาวิลเลปตปรามานกามราคะรูปราคะอรูปราคะมานะทิฏฐิวิจชาได้อย่างชื่นเชิญก็เข้าสู่พระนิพพานให้ตั้งความหมายอย่างนี้ว่าบัดนี้เราเก้าวหน้าไปแล้ววานสนาพการพยายามของเราเพียงแค่นี้ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว เป็นอาฐรนรองรับไว้ไม่ให้ตกต่ำกว่านี้ก็ขยับไปเรื่อยๆนี่คือชีวิตที่เราจะก้าวไปสู่ความหมายข้างหน้า จนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานในการขังหน้าต่อไปอาตมาอธิบายมาอย่างนี้ก็เป็นเครื่องชี้แจงให้เห็นพอสมควรว่าเรามีบุญมีวาสนาคนในประเทศไทยของเราก็มีมากมายบางคนก็มองตรงกันข้ามเห็นเราเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆเขาก็ว่าเข้าวัดเข้าวา ทำไมเขาไม่เห็นต้องเข้าวัดไม่เห็นต้องกว่าก็สบายดีเราก็ตอบรับเขาที่เราเข้าวัดบ่อยๆทุกวันนี้เข้าเพื่อจะไปทำบุญทำกุศลเพื่อจะได้กลาได้บุญได้กุศลข้อสำคัญที่สุด เข้าตอนนี้ได้กลับบ้านเหมือนเดิมเข้าที่ไรก็ได้กลับทุกทีอย่าอวดดีนะทุกคนจะต้องเข้าวัดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าคอยเข้าตอนนั้นอะจะไม่ได้กลับบ้านเหมือนเดิม อ่าถ้าเข้าทุกวันนี้ได้เห็นพระเห็นเจ้ากรบพระได้ทำบุญตักบาตรทำมีทำเกิดได้ภาวนาและข้อสาคัญที่สุดก็คือได้กลับบ้านเหมือนเดิมส่วนท่านที่ไม่เข้าก็คอยเข้าตอนนั้นก็ได้ตอนที่มีพระมานำทาง ไม่พวงรีส่งไปแล้วก็ท่านเข้าครั้งนั้นท่านก็จะจบฟินมาได้เข้าวัดเออคอยเข้าตอนนั้นดีกว่าเนาะมีเกียรติมีพวงรีมีอะไรแต่ท่านไม่ได้กลับบ้านเหมือนเราตะ ว, วันเข้าใจอย่นี้สําหรับคนทิฏฐิบางคนเขเห็นเราทําบุญทําคุณงามความดีมิอยอไม่ใจไม่มีที่ยเยอะยอะบางอย่างเจงขอตอบสนองเขาว่า เข้าไปเพื่อจะได้กลับบ้านและได้ฟังเทศฟังธรรมตำบลแล้วข้อสาคัญกลับบ้านเหมือนเดิมถ้าคอยเข้าครั้งนั้นอาทุกท่านที่ว่าไม่ไปตอนนี้ท่านก็ต้องไปเช่นเดียวกันไปตอนนั้นไปแล้วก็ไม่ต้องกลับ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็เพื่อยกระดับฐานะของเราให้ขยับไปสู่คุณงามความดีเข้าถึงสู่สวรรค์ น, นิพพานในการข้างหน้านี่เป็นกระแสชีวิตที่เราเกิดมาคนละหนึ่งคนเท่า น, นั้นไม่มีใครเกิดมากอาตมาติดใจกับ อาบาลีที่สมเด็จพระสังฆราชที่สิ้นไปแล้วที่ท่านชอบเทศไทยว่าอาปรกรจีดังชีวิตมาหุทีรานักปราดทั้งหลายว่าชีวิตนี้น้อยนัก อชีวิตที่เราเกิดมาน้อยนักโยมน้อยที่สุดแม้มีอายุร้อยปีก็อย่างน้อยเพราะวันเดือนปีนั้น่ะมันมากกี่กับกี่กันกี่สงไข่ที่ผ่านไปแล้วและทางหน้ามีอีกเท่าไหร่แต่ชีวิตที่เรามีกับเขาด้วยอยู่นั้น่อะอ เรียกว่าน้อยเหลือเกินโยมน้อยนักเมื่อน้อยนักอย่างนี้เราก็รีบารียบาหาทางที่ดีที่พ้นจากทุกทุก ทุกต่างๆ น, น, นานาเพื่อรักษาจิตของเราให้ขยับก้าวหน้าไปสู่ทางพ้นทุกโดยเร็วจะได้อยู่ในสิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นเท่าที่กล่าวมาก็พอสมควรแก่เวล า, อาขอเจ้าประธรรมเทศนาเพียงแกนี้เอวังก็มีด้วยพระการะชะนึ้ o oh.